สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทยิบิบาทนะครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้เรายัางอยู่ใน20กฎทองคำนะครับกฎที่เกี่ยวข้องกับเทวองนูลและขแขนงครับเรามาอยู่ในประเด็นที่8และหัวข้อย่อยที่2ครับก็คือเรื่องของกระแส ร, ร่วมในพจนะของพระเจ้าคำว่ากระแสนั้นผมอยากจะใช้คำว่าสายทานหรือเส้นทางแห่ง พอ ject ของพระเจ้าเส้นทางที่เราจะต้องเดินร่วมกันในพอ j จนะของพระเจ้าพอ j e นะของพระเจ้าปรากฏอยู่ในย่อนบทที่15ข้อที่7นะครับเราทั้งหลายคงจะจําได้อย่างดีนะครับย่อนบทที่15ข้อที่7โปรดฟัง พ, พระวจนะของพระเจ้าครับถ้าท่านทั้งหลายเข้าสนิทอยู่ในเราและถ้อยคําของเราฝังอยู่ในท่านแล้ว ท่านจะขอสิ่งใดซึ่งท่านปรารถนาก็จะได้สิ่งนั้นโปรดฟังอีกครั้งครับถ้าทั้งหลายเข้าสนิทอยู่ในเราและถ้อยคำของเราฝังอยู่ในท่านแล้วท่านจะขอสิ่งใดซึ่งท่านปรารถนาก็จะได้สิ่งนั้นพี่น้องครับเมื่อเราเข้าสนิทอยู่ในพระเยซูคริสต์ถ้อยคำของพระองค์คือพระวจนะของพระองค์ที่เข้ามาในเราติดตามด้วยพระวจนะของพระเจ้า ก็ได้กลายเป็นความหวังในจิตวิญญาณของเราครับความหวังนี้จึงเกิดเป็นคําอธิษฐานความหวังนี้ได้กลายเป็นคําอธิษฐานซึ่งขึ้นตรงไปยังพระพักของพระเจ้าในทันทีทันใดพระองค์ก็จะประทานความสําเร็จหรือประสิทธิผลให้สมการการทําให้เท่ากันก็คือเมื่อถ้อยคําเข้าไปในใจ กลายเป็นเนื้อหาคำอธิษฐานคำอธิษฐานขึ้นไปยังพระภาคของพระเจ้าได้รับอนุญาตจากพระองค์และทรงประทานให้นั่นคือวงจรวงจรที่เกิดความเท่าเทียมกันเป็นกระบวนการหมุนเวียนกันไปในลักษณะนี้ไม่มีที่สิ้นสุดนั่นคือกระแสครับนั่นคือวงจรวงจรหรือกระแส ร, ร่วมในพระวจนะของพระเจ้า สายทานที่เราทั้งหลายจะต้องเข้าไปอยู่ในสายฐานนั้นอยู่ในกระแสนั้นอยู่ในวงจรนั้นครับพี่น้องพี่น้องข้าพเจ้าของพระเจ้าผมอยากจะเสริมนะครับว่าเป็นสิ่งที่สําคัญถ้าหากว่าเราไม่มีพอ่อเจนะของพระเจ้าที่เรายึดมั่นเชื่อถือนั้นคดศา ส, สนาจะล้มคลืนลงทันทีครับเพราะความเชื่อของเราก็จะไม่มีหลักเนื่องจากว่า ไม่มีพระวจนะของพระเจ้าพี่น้องครับผมจะขออนุญาตที่จะตีความหรือให้คำอธิบายบรรยายถึงบทความหรือข้อเขียนของท่านอาจารย์ฟิลิปเทงนะครับท่านาศาสตาจารย์ดรฟิลิปเทงนั้นเขียนในตอนนี้นั้นลึกซึ้งมากครับท่านเขียนอย่างนี้ครับว่าการที่เราเข้าสนิทอยู่ในพระคุถ้อยคำของพระองค์ก็จะฝังอยู่ในตัวเรา หมายถึงว่าพระเจนะของพระเจ้านั้นจะเข้ามาอยู่ในตัวเราครับและหลังจากพระเจนะของพระเจ้านั้นเข้าไปอยู่ในตัวเราแล้วนะครับความหวังใจก็เกิดขึ้นติดตามมาเป็นความหวังใจในจิตวิญญาณของเราครับและความหวังใจนี้ก็จะกลายเป็นคําอธิษฐานซึ่งขึ้นตรงไปยังพระพักของพระเจ้าพี่น้องครับขอให้เรานึกภาพไปด้วยกันนะครับเริ่มต้นก็คือพระเจนะพระเจนะ เข้ามาอยู่ในตัวเราพี่น้องนึกภาพตามนะครับเริ่มต้นก็คือพระวจนะและพระวจนะนั้นก็เข้ามาอยู่ในตัวเราหลังจากนั้นพระวจนะของพระเจ้านั้นก็ทำให้เรามีความหวังครับมีความหวังฝ่ายวิญญาณเมื่อมีความหวังเราก็อธิษฐานสิครับการอธิษฐานนี่เป็นการที่เราเรียกว่าพยายามที่จะให้เกิดการสื่อสาร ระหว่างความหวังใจของเราที่เราปรารถนาที่เรารู้จากน้ำพระทยของพระเจ้าจากพระวจนะของพระองค์กลายเป็นสิ่งที่พระเจ้าจะประทานให้ผ่านทางการอธิษฐานการบิงวอนการทูลขอครับคําอธิษฐานของเราก็ขึ้นตรงไปยังพระพักของพระเจ้าแล้ว่าพระเจ้าจะประทานให้คําตอบก็สําเร็จครับคําตอบก็คือจะเกิดขึ้นอย่งแน่นอน นี่คือสมการครับสมการหรือกระบวนการที่ทําให้จากพระวจนะกลายเป็นการตอบคําอธิษฐานครับจึงอธิบายได้ว่าเมื่อคําของพระเยซูฝังอยู่ในเราแล้วเราจะขอสิ่งใดซึ่งเราปรารถนาก็จะได้สิ่งนั้นพี่น้องครับหลายคนอาจจะขอแย้งว่าเราจะขอสิ่งใด เราจะได้สิ่งนั้นจริงๆหรือคําตอบก็อยู่ในพระวจนะเองครับถ้าเราเข้าสนิทอยู่ในพระเยซูเราก็จะรู้ใจพระเยซูรู้ในพระทยของพระเยซูและถ้อยคาของพระเยซูฝังอยู่นั่นหมายความว่าสิ่งที่พระเยซูจะอนุญาตสิ่งที่พระเยซูชอบสิ่งที่พระเยซูรู้ว่าดีที่สุดสำหรับชีวิตของเรามันอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าครับ และเมื่ออยู่ในพระวจนะของพระเจ้าเมื่อเรายิ่งรู้จักพระวจนะของพระเจ้าก็ここเท่ากับเรายิ่งรู้จักพระเจ้าครับพี่น้องครับพี่น้องอาจจะฟังแล้วรู้สึกว่าผมวนไปวนมาแต่ว่าอย่าลืมครับเริ่มต้นพี่น้องครับเอาใหม่นะครับเริ่มต้นก็คือพระวจนะของพระเจ้านะครับเมื่อพระวจนะของพระเจ้าเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราเราก็จะเกิดความหวังใจนะครับเกิดความรู้ ถึงนามไทยของพระเจ้าแล้วก็เกิดความหวังใจขึ้นมาครับพอกลายเป็นความหวังใจปุ๊บเราก็มีความหวังแล้วสิครับเราก็อธิษฐานขอตามความหวังนั้นการเราที่เราอยากจะได้อะไรระหวังอะไรเราอธิษฐานมันก็จะได้เองแน่นอนเพราะว่าพระเจ้าทรงสดับและวงจร น, นี้เป็นวงจรแห่งพระพรครับเป็นวงจรแห่งความชอบธรรมเมื่อเรารู้จักกับพระเจ้า เรารู้พระทัยของพระเจ้าเรารู้พระเจ้าต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรชอบพระทัยเรื่องอะไรและไม่พอพระทัยเรื่องอะไรเราก็ตั้งใจให้ทำตั้งใจที่จะมีชีวิตตั้งใจที่จะทำในสิ่งที่พระเยซูชอบครับถามว่าเรารู้ได้ยังไงครับก็อ่านพระวจนะของพระเจ้าสิครับดื่อเห็นนี้เองทำให้เรามั่นใจได้ว่าสิ่งที่เราขอทุกอย่าง พี่น้องครับผมขอเน้นว่าทุกอย่างถ้าเราขอตามน้ำพระทัยของพระเจ้าแล้วเราก็เราจะได้ครับเหมือนดังที่พระเยซูได้ตรัสไว้ว่าท่านจะขอสิ่งใดซึ่งท่านปรารถนาก็จะได้สิ่งนั้นแล้วท่านศาสต ร, ราจารย์ดรฟิลิปเทงนั้นท่านอธิบายว่าเมื่อคําอธิษฐานไปถึงพระพักของพระเจ้าแล้วก็จะได้รับพระโรมลาชาอนุ ญ, ญาตครับได้คําตอบและพระองค์ประทานให้หมุนเวียน นะครับหมุนเวียนในลักษณะนี้ไปไม่มีที่สิ้นสุดผมก็ชอบเปรียบเทียบครับเหมือนกับเป็นวงสปริงครับเป็นวงสปริงถ้าเราเริ่มต้นนะครับเราตั้งสปริงไว้นะครับในแนวดิง่งตั้งสปริงไว้ในแนวดิง่งแล้วเราเริ่มต้นจากข้างล่างนะครับมันจะเคลื่อนที่เป็นวงกลมครับมันจะขึ้นไปเรื่อยๆวนไปวนไปวนไปวนไปนะครับในช่วงขาขึ้นชัดเจนมากครับ ตรงนี้เองยิ่งเรารู้จักพระเยซูมากเท่าไหร่ยิ่งเราเข้าสนิทกับพระเยซูมากเท่าไหร่ยิ่งเราให้ถ้อยคำพระจนะของพระเจ้าฝังอยู่ในชีวิตของเรามากเท่าไหร่คนพวกนั้นแหละครับอธิษฐานเมื่อไหร่ก็ได้คำตอบเมื่อนั้นเพราะเขารู้ใจพระเจ้าเขารู้ว่าเขาควรจะมีความหวังใจยังไงเขารู้ว่าเขาควรจะขออย่างไรถึงจะถูกใจพระเจ้านั่นแหละครับคือคาตอบ เป็นคำเฉลยของคำถามที่ว่าจริงหรือขออะไรแล้วจะได้จริงครับเมื่อเรารู้จักพระเยซูผ่านทางพระกรมัมพีผ่านทางพระว จ, จนะของพระองค์อาเมนีน